สถานีวิทยุกระจายเสียแงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาใบูรุ์อาภิปุโญในทุกวันพรราชเป็นช่วงกลางประสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พลจนถึงที่สุด และจบลงอย่างสวยงามเป็นประสิล์เรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความกล้องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสมาถิที่ถได้หนงวันนี้ข้านำเสนอท่านต่ภูมิสูตรและผู้มิชาสูตร เป็นเรื่องของชยเสนาราชกุมารที่จิตใจนั้นยังไม่เคยถูกฝึกในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตใจยังมีความชุ่มอยู่ดนยกามซึ่งมีความสงสัยว่าแล้วคนที่เขาจะฝึกหรเขาจะฝึกได้กันจริงๆหรือวิธีการที่มันฝึกมันจะเวิร์กได้หรือสงสัยแต่ฟังสงสัยแล้วก็ดันไม่ไปถาม พระกุทธชจวาไปถามท่านพระภูมิชาบ้างในภูมิชาสูตรไปถามสามเณรชื่ออจิระวตาบ้างในทันตะภูมิสูตรถามแล้วก็ไม่ได้คำตอบที่ตนเองจะเข้าใจเพราะว่าสามเณรหรือภิกษุที่ท่านไปถามนั้นไม่ได้จะสามารถยกอุปมาอุปไมยให้ ชยะเสนีนจจัราชกุมารเข้าใจได้ลึกซึ้งนะ่าดูฝั่งเรื่องนี้มีอุปมาถึงภูมิของสัตว์ที่ฝึกแล้วว่าต้องมีความเป็นอาชาในในลักษณะไหนทั้งช้างโกนและมา้ายังเปรียบเทียบถึงการปฏิบัตินั้นวิธีการฝึกนั้นน่นนะก็ต้องมีความแยบขายด้วย ในท้งสองประสูตรนี้ต่อเนื่องกันมาในมัชฌิมนิกายโดยอุปมาอุปไมเหล่านี้รห ว, วังจะสามารถทำให้คนที่ยังไม่มั่นใจว่าหนทางนี้มันจะเป็นไปได้จริงหรือมันจะได้หรือเราถูกอวิชชาที่มันใหญ่มากมันบดบังอยู่เหมือนภูเขาใหญ่ท่วมทับอยู่มันมองไม่เห็นวิวแลงสิน่ะจึงก็ต้องต้อง ขึ้นไปข้องบนสุดนู่นแล้วถึงจะมองเห็นได้ความลึกซึ้งความแยบคายในการปฏิบัติในธรรมวินัยนี้นั่นก็คือว่าองค์ประกอบแปดอย่างอันประเสริฐคือต้องมีมรรคแปต้องมีความลึกซึ้งแยบคายอย่าละหลวมอย่าแค่รูบๆกลำ่ลำๆอย่าปฏิบัติไม่สมควรแกท่ทม แต่ให้มีความรัดกลุ่มรอบครอบแยบขายไม่ลหลาลวมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสั่งแล้วใครรวนตามไปตามฟังจะทำให้เรามีความฉลาดขึ้นมีปัญญาอยู่ในภูมิของคนที่ฝึกแล้วได้นั่นเองขอเชิญรับฟังประสูว่าด้วยภูมิของผู้ได้รับการฝึกท่านตะภูมิ มัทิมานิกายเล่มที่ส4บสี่ข้อที่สองรยสิบสามีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระปาประทับอยู่ณประเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตกรุงราชกฤกสมัยนั้นสมานุทธชื่ออจิรวาวตะอยู่ในกระั่อมใกล้ป่า พระนันท ร, ราชกุมารพระนามว่าชย я เสนะทรงดำเนินเล่นไปโดยลำดับเข้าไปหาอาจิราวัตสมนุเทศึงที่อยู่ได้สนธนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงได้นั่งลงณนะที่สมควรช ь เสนะราชกุมาร จึงได้รับสั่งกับอาจิรวัตสมนุเทศคือสามเณรดังนิวาท่านกิเวสนะข้าพเจ้าได้สนับมาอย่างนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจยอยู่พึงบรรลุสภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวคือเอกะคตตาจิตได้จริงอย่างนั้นหรือ อาิราวัตสมโนเตจจึงได้จวายประปอนว่ากระจุกุบาลข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพิสูุนในธรรมวินัยนี้เมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศการและใจอยู่พึงบรรลุเอกะคตาจิตได้ดีละท่านอาคิวเวสณะนะขอให้ท่านโปรดแสดงธรรมตามที่ได้สดับมา ตามที่ได้ศึกษามาแก่ข้าพเจ้าเถิดปัจจุบนันอาตมภาพไม่สามารถแสดงธรรมแก่พระองค์ตามที่ได้สะดับมาตามที่ได้ศึกษามาได้พระถ้าอาตมภาพแสดงธรรมแก่พระองค์ตามที่ได้สาาด ะ, ส ะ, ด, ะ ด, สดับมาศึกษามาแล้วแต่พระองค์ไม่ทรงทราบอัตตแห่งภาสิของอาตมภาพข้อนั้นจะเป็นความยาก และเป็นความลำบากแกอัรรมภาคขอท่านอคิเวสนะโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าตามที่ได้สดับมาได้ศึกษามาเถิดบางทีข้าพเจ้าอาจทราบอาถแห่งพาสิตของท่านอคิเวสนะนั้นไดราชกุมารอธรมภาคจะแสดงธรรมแก่พระองค์ตามที่ได้สดับมาได้ศึกษามา ถ้าพระองค์จะทราบอัถะแห่งภาสิของอธรมภาพได้นั่นแหละจะเป็นความดีแต่ถ้าไม่สงสารขอพระองค์พึงดำรงอยู่ในภาวะของตนเถิดอย่าได้ซักถามอธรรมภาพในธรรมนั้นให้ยิ่งขึ้นไปเลยขอท่านอคิเวสนะโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาเถิด ถ้าข้าพเจ้าทราบอัตตาแห่งพาสิทธิ์ของท่านอาคิเวสนะได้นั่นจะเป็นความดีถ้าไม่ทราบข้าพเจ้าจะดำรงตนอยู่ในภาวะของตนข้าพเจ้าจะไม่ซักถามท่านอาคิเวสนัในธรรมนั้นให้ยิ่งขึ้นไปสำหรับนั้นอจิระวะตเสมาโนเตจึงได้แสดงธรรมแก่ชญาสนราชกุมาร ตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาเมื่อสมนุนเถกหือสามเณรกล่าวอย่างนั้นแล้วสยาเซนราช จ, จุกุมันจึงไ่ายตรัสว่าท่านหนักิเวสนะผู้เจริญเป็นไปไม่ได้ที่วิกษุกู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศการและใจอยู่จะพึงบรรลุเอกคตาจิตได้จากนั้น สยาเสนราชกุมารเมื่อประกาศความเป็นไปไม่ได้แกอาจิรบวตสามเณิแล้วก็ส่งลุกขึ้นจากที่ประทับแล้วเสด็จจากไปครั้นเมื่อชยาเสณราชกุมารเสดจจากไปแล้วไม่นานอาจิรบวตสัมเณิจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้ว นั่งนะที่สมควรได้กราบทูนเรื่องที่สนนาปราศัยกับชยาเสนาราชกมุมารทั้งหมดแกพราผู้มีประปาเมื่อจิรวตัสมฤทธกราบุูอย่างนี้แล้วปราผู้มีประปาที่ได้ตรัสขึ้นว่าอกิเวสนะชยเสนะราชกมุมารพึงได้ประโยชนจากข้อความนั้น ในภาษิตของเตอนี้แต่ที่ไหนเล่าเป็นไปไม่ได้ที่ชยศสนราชกุมารผู้ยังอยู่ท่ามกลางกรรมยังบริโภคกรรมถูกกรรมวิตรุ่มเราถูกความเร่าร้อนพระการมแปดเป๋ายังขวนขวายในการสบายงากรรมอยู่จะรู้จะเห็นหรือจะทำเอากะตาจิต อันที่บุคคลพึงรู้พึงเห็นที่พึงบรรลุพึงนับไม่แจ้งด้วยในกรมได้อากิเวสนะเปรียบเหมือนช้างที่ควรฝึกคู่หนึ่งม้าที่ควรฝึกคู่หนึ่งหรือโคที่ควรฝึกอีกคู่หนึ่งที่ผู้ฝึกฝึกดีแล้วทันดีแล้วกับช้างที่ควรฝึกอีกคู่หนึ่ง ม้าที่ควรฝึกอีกคู่หนึ่งหรือโคที่ควรฝึกอีกคู่หนึ่งที่เขายังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้หัดเลยเธอจะเข้าใจความกรณีว่าอย่างไรช้างที่ควรฝึกม้าที่ควรฝึกโคที่ควรฝึกคู่ที่ผู้ฝึกฝึกดีแล้วหัดดีแล้วนั่นแหละจะเรียนรู้เหตุการณ์หรือการตอบสนองที่ผู้ฝึก แล้วพึงสำเร็จภูมิที่ผู้ฝึกฝึกแล้วได้นั้นหรือข้อนั้นย่อมเป็นไปได้ไหะเจ้าข้าส่วนจางที่ควรฝึกมาที่ควรฝึกหรือโคที่ควรฝึกในคู่ที่เขายังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้หัดเหล่านั้นนั่นแหละจะเรียนรู้เหตุการณ์ที่ผู้ฝึกฝึกแล้วจะสำเร็จ ภูมิที่ผู้ฝึกฝึกแล้วเหมือนช้างที่ควรฝึกม้าที่ควรฝึกและโกที่ควรฝึกคู่ที่ผู้ฝึกฝึกดีแล้วหัดดีแล้วเหล่านั้นได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เปรนชั ข, ข้าอากิเวสนาะฉันหนก็ฉันนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ยชยะเสณราชกุมารผู้ยังอยู่ท่ามกลางกลาม ยังบริโภคก ร, รมถูกก ร, รมวิตกกลุ่มเราถูกความเร้าร้อนเพราะกรรมแบบเผายังขวนขวายในการสแสวงหากรรมอยู่จะทรงรู้ทรงเห็นหรือทรงทําให้แจ้งซึ่งเอกะกาคตาจิตที่บุคคลจะพึงรู้พึงเห็นพึงบรรลุพึงดำเนินให้แจ้งโดยในกรร ม, มาได้ข้อคิเว็นะเปรียบเหมือน มีภูเขาใหญ่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเรือนิคมสายฮสองคนออกจากบ้านเรือนิคมนั้นแล้วจูงมือกันเข้าไปยังที่ที่ภูเขาตั้งอยู่สหายคนหนึ่งยืนอยู่ที่เชิงภูเขาเบื้องล่างสหายอีกคนหนึ่งขึ้นไปบนภูเขาสายคนที่ยืนอยู่ที่เชิงภูเขาเบื้องล่าง ึงกล่าวกับสหายผู <ksam> ้ยืนอยู่บนภูเขาอย่างนี้ว่าเพื่อเหนยท่านยืนอยู่บนภูเขานั้นมองเห็นอะไรบ้างสหายผู้ยืนอยู่บนภูเขานั้นตอบอย่างนี้ว่าเพื่อเหนยเรายืนอยู่บนภูเขานี้แล้วย่อมมองเห็นสวนอันน่ารื่นรมบ้างป่าไม้อันน่ารื่นรมบ้าง ภูมิประเทศอันน่ารื่นรมบ้างและสาบโบกรณีอันน่ารื่นรมบ้างสหายผู้ที่ยืนอยู่ที่เชิงภูเขาเบื้องล่างจึงกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยเป็นไปไม่ได้เลยที่ท่านยืนอยู่บนภูเขาแล้วจะเพิงมองเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าไม้อันน่ารื่นรมภูมิประเทศอันน่ารื่นรม หรือสบโบกรณีอันน่ารื่นรมได้สายผู้ดีอยู่บนภูเขาจึงลงมายัางเชิงภูเขาเบื้องล่างแล้วจูงแขนสายคนนั้นให้ขึ้นไปอย่างภูเขาลูกนั้นเมื่อให้พักเหนื่อยอยู่ครู่หนึ่งแล้วพึ่งกล่าวึ้นอย่างนีิวาเพื่อนเอ๋ยท่านยืนอยู่บนยอดภูเขาอย่างนี้มองเห็นอะไรบ้าง สายคนนั้นจึงตอบว่าเพื่อนเอ๋ยเรายืนอยู่บนยอดบูเ่าอย่างนี้แล้วย่อมมองเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าไม้อันน่ารื่นรมภูมิประเทศอันน่ารื่นรมและสถาบกรณีอันน่ารื่นรมสายผู้ที่ขึ้นไปก่อนหน้านั้นจึงกล่าวขึ้นบ่าเพื่อนเ er อ๋ยตะกี้เพื่อนกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ ที่ท่านยืนอยู่บนภูเขาแล้วจะมองเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าไม้ภูมิประเทศและสระ บ, บกรณีอันน่ารื่นรมได้มาแบดนี้เลื่อนกล่าวว่าเรายืนอยู่บนภูเขาแล้วมองเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าไม้ภูมิประเทศและสระ บ, บกรณีอันน่ารื่นรมได้สหายพูดขึ้นไป ตามหลังนั้นจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อเหนื่อยความเป็นจริงเราถูกภูเขาใหญ่ลูกนี้กั้นไว้จึงมองไม่เห็นสิ่งที่ควรเห็นอากิเวสนะฉันได้ก็ฉันได้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ที่ช ย, ยาเซนรา จ, จุกุมานผู้ถูกกองอวิชชาใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาลูกนั้นกั้นไว้ปิดไว้ เริงรัดไวห่อหุ้มไว้ยังอยู่ในท่ามกลางกามยังบริโภคกามคิดถึงวิตกอยู่รุมเร้าด้วยกามถูกความเร่าร้อนเพราะกามแปดเผายังขวนขวายในการสแสวงหากามจะรู้จะเห็นหรือจะทําให้แจ้งซึ่งธรรมะที่บุคคลจะพึงรู้เห็นทำให้แจ้งด้วยเนกมาได้ อากิเวสนะถ้าเธอพึงอธิบายอุปมาสองข้อนี้ให้แจมแจ้งแก่สยาเสนราช จ, จุกามาได้สยาเสนราช จ, จุกามาจะพึงเลื่อมใสเธออย่างน่าอาจจัศจรรย์และสยาเสนราช จ, จุมามาผู้เลื่อมใสแล้วจะพึงแสดงอาการของบุคคลผู้เลื่อมใสแก่เธอ อาชิระบัตตสมนุเตศจึงกระตุ้นเป็น่างข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะอธิบายอุปมาสองข้อนี้ที่น่าอาศัศจรรย์ที่ข้าพระองค์ยังไม่เคยได้สดับมาก่อนให้แจมแจ้งแก่ชะยะเสนาราชกุมารเหมือนอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าได้อย่างไรเล่าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่า อากเวสนะกระสตราธิราชผู้ได้รับมรรตากิเศษแล้วรับสั่งเรียกปราณผู้ชำนาญป่าที่ช้างอาศัยอยู่มาแล้วตรัสว่ามาเถิดพ่อปราณช้างเพื่อนยากท่านจงขี่ช้างหลวงตัวนี้เข้าไปยังดงช้างเห็นช้างป่าแล้วจงคล้องมันผูกไว้ที่คอช้างหลวงเถิด รานป่าผู้เป็นขวานช้างจึงรับพระราชโองการแล้วขี่ช้างหลวงเข้าไปยิงดงช้างเห็นช้างป่าแล้วจึงคล้องมันผูกไว้ที่คอช้างหลวงช้างหลวงจึงนำช้างป่านั้นออกมาสู่ที่กลางแจ้งได้ด้วยเหตุเป็นต้นนี้ช้างป่าจึงมาสู่ที่กลางแจ้ง ความจริงช้างปา่าทั้งหลายยังควงผินคือดงช้างอยู่พรานป่าผู้เป็นกวานช้างจึงกราบทูลเรื่องนี้แดกษัตริย์ติราชว่าขอเดชะช้างป่าของพระองค์มาอยู่ที่กลางแช่แล้วพระเจ้าข้าสำหรั บ, บนั้นกษัตริย์ธิราชจึงรับสั่งเรียกกวนช้างมาแล้วตรัสว่า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 ขวันช้างจึงรับพระราชอง์การแล้วจึงฝังเสาตะลุงใหญ่ลงในแผ่นดินลามก่อช้างป่าไว้อย่างมั่นคงเพื่อแก้ไขปกติของสัตว์ป่าแก้ไขความสับสนของสัตว์ป่าและแก้ไขความกโกรนกระวายความลาบากใจและความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าเพื่อให้ช้างป่านั้น ยินดีในแดนบ้านให้เพลิดเพลินในปกติที่มนุษย์ต้องการควานช้างร้องเรียกช้างป่านั้นด้วยคำไม่มีโทษไพระน่ารักจับใจเป็นภาษาของชาวเมืองคนส่วนมากรักใครพอใจประช้างป่าถูกควานช้างร้องเรียกอยู่ด้วยคำไม่มีโทษไพระ น่ารักจับใจเป็นภาษาของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจเห็นป่านั้นช้างจึงตั้งใจฟังตั้งใจเพื่อจะเรียนรู้ก่านช้างจึงเพิ่มอาหารคือหญ้าและน้ำให้ช้างยิ่งขึ้นหากอเวสนะเพราะช้างป่ารับอาหารคือหญ้าและน้ำของกวานช้าง ขวานช้างจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าแบดนี้ช้างป่าจะดำรงชีพอยู่ได้ละจึงให้ช้างป่านั้นฝึกยิ่งขึ้นด้วยสั่งว่ารับเถิดพ่อวางลงเถิดพ่อเพราะช้างหลวงทำตามคำสั่งรับทำตามโอวาทของขวานช้างในการรับและการวาง ควานช้างจึงฝึกช้างนั้นยิ่งขึ้นด้วยสั่งว่าเดินไปเถิดพ่อถอยเถิดพ่อพระช้างหลวงทำตามคำสั่งรับทำตามโอวาทของควานช้างในการเดินไปและการถอยกลับควานช้างจึงฝึกช้างนั้นให้ยิ่งขึ้นด้วยสั่งว่ายืนขึ้นพ่อหมอบลงเถิดพ่อ ช้างหลวงทำตามคำสั่งรับทำตามโอวาทของควานช้างในการยืนและการหมอบควานช้างจึงฝึกช้างนั้นยิ่งขึ้นจนถึงขั้นที่ชื่อว่าอาเนชะคือไม่หวั่นไหวคือผูกโล่ใหญ่ไว้ที่ห่วงช้างนั้นจัดบุรุษถือหอกซัดนั่งบนกอช้างจัดบุรุษ ถือหอกสัดหลายคนยืนล้อมรอบส่วนควานช้างถือของ้าวยาวยืนอยู่ข้างหน้าชางนั้นได้รับการฝึกถึงขั้นอาเนชะอยู่จึงไม่ขยับเท้าหน้าไม่ขยับเท้าหลังไม่เคยื่นกายไปข้างหน้าไม่เคยยื่นกายไปข้างหลังไม่โครงตัวไม่กระดิกหู ไม่เวียงงาไม่แกว่งหางไม่ขยับงวงเป็นช้างหลวงผู้อดทนต่อการถูกหอกทิ่มแทงถูกดากฟันถูกลูกศรเสียบแทงและถูกเครื่องประหารของศัตรูอื่นอดทนต่อเสียงอึกกระทึกแห่งกล่องศึกมหดระทึกสังและกล่องเล็กกำจัดนิสัยดื้อรั้นทุกอย่าง และหมดพยศจึงนับว่าเป็นช้างสมควรแก่พระราชาอันพระราชาควรใจสอยเป็นองค์สมบัติของพระราชาข อ, อนี้แม้ฉันใดฮกิเวสนะตถาคตก็ฉันนั่นเหมือนกันแลผู้บัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระราหัตรสรู้เองโดยชอบเปียบร้อมด้วยมิจฉาและจรณนะ ไดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทุนลอยเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคตถาคตรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารบรมและหมูสัตว์พร้อมทั้งสัมมารามเทวดาและมนุษย์ ในตนเอย่งแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามตถากรแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศปรมาชันปรางทั้งอัฏฐะและเพียรชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์กรบด่วนกอกระบดีบุตรกะระบดี หรืออนุชนผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งเมื่อได้สดัตย์ทำนั้นแล้วก็ศรัทธาในตถาคตเมื่อมีศรัทธาย่อมตรหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอืดอัดเป็นทางมาแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปรง่งการที่บุคคลผู้อยู่ครองเรือน จะประพฤติประมจันให้บริสุทธิ์บริบวนครบถ้วนดุดสังที่ขาดแล้วไม่ใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวยเป็นบรรพชิตต่อมาเขาละทิ้งกล่องโภคาสมบัติน้อยใหญ่และเรือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวาพัสออกจากเรือนบวชเป็นบัรปชิตโดยเหตุเพียงเท่านี้แลเขาชื่อว่าเป็นอริยาสาวกอยู่ในที่แจ้งความจริงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยังห่วงทินคือการมคุณห้าอยู่สตตาคตจึงแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุ เธอจงเป็นผู้มีศีลสํารวมด้วยการสังวรในปาติโมะเยียบร้อมด้วยอาจาระและโคจรจงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในศกขาบททั้งหลายขงกิเวสณนะพระอริยสาวกเป็นผู้มีศีลสํารวมด้วยการสังวรในปาติโมะ เปรียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเป็นผู้มีปกติเห็นภายในโทษแม่เพียงเล็กน้อยสมาทางศึกษาในสิกขาบททั้งหลายได้พตากรจึงแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้คุ้มกรองตวาลในอินทรีย์ทั้งหลายคือเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูเป็นต้น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 พิจรณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะกําจัดความพอใจและกว่ามไม่พอใจในโลกได้อากิวเวสนาะควานช้างฝังเสาตกลงใหญ่ลงในแผ่นดินลามกอช้างป่าไว้อย่างมั่นคงเพื่อแก้ไขปกติของสัตว์ป่าแก้ไขความสับสนของสัตว์ป่า และแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าเพื่อให้ช้างป่านั้นยินดีในแดนบ้านให้เพลิดเพลินในปกติที่มนุษย์ต้องการแม้ฉันใดคุริยาสาว ก, กฉช น, นั้นเหมือนกันชื่อว่าผูกใจไว้แล้วกับสติปัฏฐานทั้งสีน่นี้เพื่อแก้ไขปกติ ที่ยังผูกพันอยู่กับเรือนแก้ไขความสับสนที่ยังผูกพันอยู่กับเรือนแก้ไขความกรวนกระวายความลําบากใจและความเล่าร้อนใจที่ผูกพันอยู่กับเรือนเพื่อบรรลุญยายาธรรมเพื่อทานิพพานในแจงตะตากรจึงแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามืเจิดปิกสู เธอจงพิจารณาเห็นกายในการอยู่เธดแต่อย่าตรึกถึงวิตกที่เกี่ยวกับกายเลยเธอจงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เธดเธอจงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เธดเธอจงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เธดแต่อย่าตรึกถึงวิตกที่เกี่ยวข้องกับธรรมะเลยพระวิตก วิจารสงบประ ง, งับไปพิสูุนั้นย่อมบรรลุทุติยฌ า, านมีความพองใสแห่งใจในภายในมีภาวะจิตเป็นหนึ่งพุทขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิเพราะความที่ปีติจางหายไปจึงบรรลุฌานที่สาเพราะความระ ง, งับไปได้ของโสมนัส และโทรมรัตในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สยอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์กุดผองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนม อ, อกแกการใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติยานคือระลึกได้หนึ่งฌานบางสองฌานบางเป็นต้น เธอระ้สึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นยังไม่หวั่นไหวอย่างนี้ปิกสุนั้นก็นำจิตไปเพื่อจุดตูปปาตยาน คือเห็นหมูสัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์ท่นบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเดิน ปราศจาความเศร้าหมองอ้อนมอแกการใช้งานตั้งมั่นไม่หวนไวย่างนี้ภิกษุนั้นย่อมนำจิตไปเพื่ออาสบัคย า, ยานย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านี้คือทุกนี้คือเหตุให้เกิดทุก์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกอัวนี้คือทางดเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก รา้ชัดว่านี้คืออาสวะนี้คือเหตุให้เกิดอาสวะนี้คือความดับไม่เหลือแห่งอาสวะและนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะเมื่อเตารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชา เหมือนจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดความอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ฉันว่าการเกิดสิ้นแล้วปรมาจันทร์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอยู่อีกต่อไปภิกษุนันเป็นผู้อดทนคือมีชาติของผู้อดกลั้นต่อความหนาว ความร้อนความหิวความกระหายต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์ลุยขานทั้งหลายต่อถ้อยคาที่กล่าวรา้ายถ้อยคาที่ใส่ร้า ย, ายต่อทุกเวทนาอันกล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดรอ้อนนันมีในสรีระที่เกิดขึ้นแล้วต่อความไม่สำราญต่อความไม่ชอบใจ พอจะคร่าชีวิตได้ปิกสุนั้นกำจัดราคะโทสะโมหะทั้งปวงและกำจัดอิเลสเพียงดังน้ำฝาดได้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษีนาควรแก่การทำมัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกหากิเวสนะถ้าช้างหลวงแก่ ที่ควานช้างยังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดล้มลงคือตายก่อนย่อมถึงการนับว่าช <aj ung> ้างหลวงแก่ล้มลงอย่างไม่ได้ฝึกถ้าช้างหลวงรุ่นกลางหรือช้างหลวงรุ่นหนุ่มที่ควานช้างยังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้หัดล้มลงตายเสียก่อนย่อมถึงการนับว่าช้างหลวงรุ่นกลางรุ่นหนุ่ม ล้มลงอย่างไม่ได้ฝึกก่อนนี่แม่ชันใดถ้าภิกษุปูนเถระปูนมัจิมะหรือปูนนวกกะก็ฉะนั้นถ้ายังไม่สิ้นอาสวะบรณภาพคือตายลงย่อมถึงการนับว่าเป็นภิกษุปูนเถระบรณภาพลงอย่างไม่ได้ฝึกเป็นภิกษุปูนกลางคือมัจิมะ เป็นภิกษุใหม่คือนวกัวบรณภาพลงอย่างไม่ได้ฝึกอังกิเบสนถ้าช้างหลวงแก่ที่ควานช้างฝึกดีแล้วฮัดดีแล้วล้มลงคือตายย่อมถึงการนับว่าช้างหลวงแก่ล้มลงอย่างฝึกแล้วถ้าช้างหลวงรุ่นกลางช้างหลวงรุ่นหนุ่ม ที่ควานช้างฝึกดีแล้วหั ด, ดีแล้วลม้มลงคือตายย่อมถึงการนับว่าช้างหลวงรุ่นกลางช้างหลวงรุ่นหนุ่มลม้มลงอย่างฝึกแล้วข้อนี้แม่ฉันใดก็ฉั น, นั้นที่ถ้าภิกษุปูนเถระปูนกลางคือมัชชิมะและปูนนวกะคือภิกษุใหม่ขู่สินอาสวะแล้ว บารณภาพลงย่อมถึงการนับว่าเป็นภิกษุปูนเด ร, ระภูนกลางหรือภิกษุใหม่บารนภาพลงอย่างฝึกแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัพยสิทธิ์นี้แล้วอจิรวัตสัมนุเทศมีใจชื่นชมยินดีปาศิตร่างพระผู้มีพระภาคเจ้าหนังนี้แหละประสูตร ว่าด้วยภูมิของผู้ที่ได้รับการฝึกทันตะภูมิจบพระสูตรว่าด้วยพระภูมิชะภูมิชะสูตรวัชิมนนกายเล่มที่ส4บสข้อที่สองยิมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาประทับอยู่ณพระเวรุวัน สถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตกรุงราชกฤห์กรอนเวลาเช้าท่านพระภูมิชะคองสบงหรือบาลและจีวรเข้าไปยังพระราชวังของชยาเสนราชกุมารแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไปแล้วลำดับนั้นชยาเสนราชกมาร จึงเสด็จเข้าไปหาท่านภูมิชัถึงที่นั่งแล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็ประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้รับสั่งกับท่านพระภูมิชาว่าถ้าแต่ท่านพระภูมิชัมีสมณบ ร, รม์พวกหนึ่งผู้มีวาตาอย่างนี้มีทิ่ถือย่างนี้ว่า ถ้าแม้ชนทั้งหลายตั้งความหวังแล้วจึงประพฤติปรมจันทร์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติปรมจันทร์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติปรมจันทร์ พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้แต่แม้ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แล้วบารบุดโปรมจันพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ในเรื่องนี้ศาสดาของท่านพระภูมิชะามีวาทายางไรมีทิฏฐิอย่างไรตรัสสอนไว้อย่างไรท่นปูมิชฌ จึงถวายประบอดว่าพระราชกมุมารเรื่องนี้อัตมภาพมีได้สะดับรับมาจากเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยแต่เป็นไปได้ที่พระผู้มีพระภาค พ, พึงทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่าถ้าแม้ชนทั้งหลายตั้งความหวังแล้วประพฤติปรมจะมา์โดยไม่แยบคาย พวกเขาก็ไม <Pokemon. S 2> ่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติปรมาจักรโดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติปรมาจักรโดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ ถ้าแม้ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แล้วประพฤติปรมจันทร์โดยไม่แยบกายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้แต่ถ้าแม้ชนทั้งหลายตั้งความหวังแล้วประพฤติปรมจันทร์โดยแยบกายพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติปรมจันทร์โดยแยบกาย พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้แต่แม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติปรมาจักรโดยแยบกายพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้แต่แม้ทั้งตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แล้วประพฤติปรมาจักรโดยแยบกายพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ ราชกมุมารเรื่องนี้อาตมภาพยังไม่ได้สดับรับมาจากเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเลยแต่เป็นไปได้ที่พระผู้มีพระภาคจะบึงทรงปรียกรอย่างนี้ศยาเสนราชกมุมารจึงตรัสขึ้นว่าถ้าพระศาสดาของท่านพระภูมิชะมีวาทอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ ตรัสสอนไว้อย่างนี้พระาศาสดาของท่านพระปูมิชะชะรอยจะมีความรู้เหนือสมณพราหมณทั้งปวงเป็นแน่ลำลับนั้นเสยเซนราชกุมารจึงทรงอังคาดคือประเฑนถวายท่านพระปูมิชะด้วยปตาในภาชนะอันเป็นส่วนของพระองค์เองทีเดียว นั่นและท่นราภูมิชะกลับจากบินดาบาัดภายหลังพัฒนาหารเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าปราภูมิพระภาคจึงที่ประทับถว า, ายอภิวาสแล้วนั่งในที่ชมกวนแล้วกราบทูลปราภูมิพระภาคถึงเรื่องราวที่ชะยะเสณราชกุมารได้รับสั่งแล้วและบทสนทนาทั้งสิ้น รับกับได้เพิ่มเติมคนว่าข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วเมื่อพยากรณ์คือตอบอย่างนี้ชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้หรือไม่ไม่ชื่อว่ากล่าวตูพระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จหรือไม่ชื่อว่าเป็นผู้พูดอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ ไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำกล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ประผู้มีประภาคจึงได้ตรัสว่าผู้มีชะช่างเถิดเธอถูกถามอย่างนั้นแล้วเมื่อปยากร อ, อย่างนั้นชื่อว่าพูดตรงตามที่เรากล่าวไว้ไม่ชื่อว่า กล่าวดูเราด้วยคำเทศชื่อว่าเป็นผู้พูดอย่างสมเหตุสมผลไม่มีเลยที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อต่อกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้แต่สมณะหรือปรามพวกใดพวกหนึ่งเป็นมิจฉาทิฐิมิจฉาสังกปะเป็นมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตมิจฉาอาชีวะ เป็นมิจฉาวายามะเป็นมิจฉาสติและเป็นมิจฉาสมาธิแต่แม้สมณะหรือพรหรามเหล่านั้นตั้งความหวังแล้วจึงประพฤติปรมาจั๋์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้แต่แม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติปรมาจั๋์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้แต่แม้ทั้ง ตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังและประพฤติปรมาจักรพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้แต่แม้ทั้งตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่และประพฤติปรมาจักรพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ก่อนเป็นเราะเหตไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายพวกเขาจึงไม่สามารถ บรรลุผลได้ผู้มีช้าเปรีบเหมือนบุรุษผู้ต้องการ น, น้ำมันสแสวงหาน้ำมันเที่ยวสาะหาน้ำมันอยู่เกลี้ยสายลงในรางแล้วเอาน้ำปรมไปขันไปแต่แม่บุรุษนั้นตั้งความหวังแล้วเกลี้ยสายลงในรางเอาน้ำปรมไปคั้นไป เขาก็ไม่สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังถา้ถาแม Kill ้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังถ้าแม้ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แล้วเกลี่ยทรายลงในรางเอาน้ำปรมไปคันไปเขาก็ไม่สามารถได้น้ำมันค็นนปร้ไร เพราะอุบายอันไม่แยบคายเขาจึงไม่สามารถได้น้ํามันกอณีแม้ฉันใดก็ฉะนั้นที่สมณะหรือปราหม์พวกใดพวกหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉ า, าสังกปักมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและเป็นมิจฉาสมาธิแล้ว แต่แม้สำหรับรือปรามเหล่านั้นตั้งความหวังแล้วประพฤติปรมาจันทร์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้แต่แม้ไม่ตั้งความหวังถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แล้วประพฤติปรมาจันท์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ คนนั้นรไร้ไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายพวกเขาจึงไม่สามารถบรรลุผลได้เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการนมสดแสวงหานมสดเที่ยวสะหานมสดแต่รีดนมสดจะเขาโห่แม่ลูกอ่อนแต่แม่บุรุษนั้นตั้งความหวัง แล้วรีดเอาจากเขาโคแม่ล AH ูกอ่อนเขาก็ไม่สามารถได้นมสดถ้าแม่บุุษนั้นไม่ตั้งความหวังถ้าแม่บุุษนั้นทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังถ้าแม่บุุษนั้นตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แล้วรีดเอาจากเขาของโคแม่ลูกอ่อนเขาก็ไม่สามารถได้นมสด ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอูบายอันไม่แยบคายเขาจึงไม่สามารถได้หนมสดก็สมณะหรือบรามพวกใดพวกหนึ่งก็เช่นนั้นเหมือนกันเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาบาจามิจฉากรรมตะมิจฉาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิแล้ว แต่แม้สำนน ห, หรือบราห์เหล่านั้นตั้งความหวังไม่ตั้งความหวังทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังทั้งตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่และประพฤติประมาจันพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลไดไ้เพราะเน้นบริสไลพระอุบายอันไม่แยบกาย พวกเขาจึงไม่สามารถบรรลุผลภูมิชัเปรียบเหมือนบุุษผู้ต้องการเหนยน่นแสวงหาเหนย่อยคนเที่ยวสอหาเหนย่อยคนเขาเทน้ำลงในอ่างแล้วกวนด้วยเครื่องกวนถ้าแม้บุุษนั้นตั้งความหวังเทน้ำลงไปในอ่างแล้วกวนด้วยเครื่องกวน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 อุบายอันไม่แยบกายเขาจึงไม่สามารถได้ไหน่อยคนฉะ น, น, น, นั้นฉะนั้นที่สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งเป็นมิจฉาทิฐิมิจฉาสังกปรมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิแล้วถ้าแม้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 มีชาเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการไฟแสวงหาไฟเที่ยวสาะหาไฟอยู่เขาจึงเอาไม้สดที่มียางมาทําเป็นไม้สีไฟแล้วสีกันไปถ้าแม่บุรุษนั้นตั้งความหวังแล้วจึงเอาไม้สดที่มียางมาทําเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟ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 เพราะอุบายอันไม่แยบคายเขาจึงไม่สามารถได้ใยกอนี้แม่ฉันใดก็ฉันนั้นที่สมณะหรือบรามพวกใดพวกหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะเป็นตนแต่แม่ตั้งความหวังไม่ตั้งความหวังทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวัง ทั้งตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แล้วประพฤติปรมจันทร์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้เพราะนั้นพ ร, ร้ไร้เพราะอุบายอันไม่แยบคายพวกเขาจึงไม่สามารถบรรลุผลภูมิชาส่วนสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิสมมาสังกัปปะ สมาวาจาสมากมินต์ตะสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติและสมาสมาธิแล้วถต่แม้สมณะหรือพระ่านันตตั้งความหวังแล้วจึงประพฤติปรมจัรนพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถต่แม้ไม่ตั้งความหวังถ้าแม้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 สแสวงหาน้ำมันเที่ยวซอหาน้ำมันอยู่เขาเกลีย่ยแป้งงาลงในรางแล้วเอาน้ำร่มไปคันไปแต่แม้บรุษนั้นตั้งความหวังแล้วเกลีย่ยแป้งงาลงในรางเอาน้ำร่มไปคันไปเขาก็สามารถได้น้ำมันงาแต่แม้ไม่ตั้งความหวังถ้าแม้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 คนนี้แม้ฉันใดก็ฉะนั้นที่สมณะหรือปราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสมากรรมตะสมาอาชีวะสัมมาวายมะสมาสติและสมาสมาธิแล้วแต่แม้สมณะหรือปราหมเหล่านั้นตั้งความหวังแล้วจึงประบุติปรมจันทร์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 พวกเขาจึงสามารถบรรลุผลได้ภูมิชาเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการ น, นมสดสแสวงหานมสดเที่ยวสหานมสดอยู่จึงรีดนมสดจากเต้านมของโขแม่ลูกอ่อนแต่แม่บุรุษนั้นตั้งความหวังแล้วรีดเอาจากเต้านมโคแม่ลูกอ่อนเขาก็สามารถได้นมสด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 กรณีแม้ันใดก็ฉันั้นที่สมณะหรือปราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งเป็นสมาทิ่ติสมาสังเกตสมาวจาสมากมินตะสมาอาชีวะสมาวายมะสมาสติและสมาสมาธิแต่แมสมณะหรือปราหมณ์เหล่านั้นทั้งตั้งความหวังทั้งไม่ตั้งความหวัง ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังตั้งตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แล้วประพฤติปรมาจักรพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรประปูบายอันแยบคายพวกเขาจึงสามารถบรรลุผลได้ภู่มิชาะเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการไหน่อยคน แสวงหาเหน่อยคนเที่ยวสาะหาหนยคนอยู่เขาเทนมส้มลงในอ่างแล้วกวนด้วยกครื่งกวนแต่แม่บุุษนั้นตั้งความหวังแล้วเทนมส้มลงในอ่างพึ่งกวนด้วยเครื่องกวนแล้วเขาก็สามารถได้ไหนคนแต่แม่ไม่ตั้งความหวัง ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแต่แม้ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แล้วเทนมส้มลงในอา่างแล้วกวนด้วยเครื่องกวนเขาก็สามารถได้ไหนคนคนนันเบรย์ไรเพราะอุบายอันแยบคายเขาจึงสามารถได้ไหนคน ก่อนีแมชฉันใดสมณะหรือปรามพวกใดพวกหนึ่งก็เช่นั้นเหมือนกันเป็นสมาธิที่สมาสังกปะสมาวาจาสมากัมมันตะสมาชีวะสมาวายามะสมาสตรและสมาสมาธิแล้วถ้าแม้สมณะหรือปรามเหล่านั้นตั้งความหวังไม่ตั้งความหวัง ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แล้วประวฤติปรมอาจารย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้คนใดใค ร, ร, รเพราะอุบายอันแยบคายพวกเขาจึงสามารถบรรลุผลภูมิชาเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการไฟแสวงหาไฟ เที่ยวสาะหาไฟอยู่เขาจึ ง, เ อ, ง, เ, เ, ง, งเอาไม้แห้งมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟแต่แม้บรุษนั้นตั้งความหวังแล้วเอาไม้แห้งมาทําเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเขาก็สามารถได้ไฟแต่แม้ไม่ตั้งความหวัง ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแต่แม้ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แล้วเอาไม้แห้งมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟพวกเขาก็สามารถได้ไฟความนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบกายพวกเขาจึงสามารถได้ไฟ พอดีแม่ฉันใดก็ฉนั้นที่เมื่อสมณะหรือปรามผู้ใดพวกหนึ่งเป็นสมาธิที่สมาสังกปะสมมาวาจาสมากรรมตาสมมาอาชีวะสมมาวายามะสมาสติและสมมาสมาธิถ้าแม้สมณะหรือปรามเหล่านั้นตั้งความหวังไม่ตั้งความหวัง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 แกชะยะเสนราชกุมารได้ชะยะเสนราชกุมารจะพึงเลื่อมใสเธออย่างยิ่งและชะยะเสนราชกุมารผู้เลื่อมใสแล้วจะพึงทำอาการของบุคคลผู้เลื่อมใสแก่เธอท่านบุญมีชาจึงได้กราบทูลว่าถ้าแต่พรงคผู้เจริญเฉพาะข้าพระองค์จะอธิบายอุปมาสี่ข้อ ที่น่าอัศจรรย์นี้ที่กัประองยังไม่เคยได้สดับมาก่อนให้จำแจ้งแก่ชยเสณราชกมุมารเหมือนปราบผู้มีพระภาได้อย่างไรเมื่อปราบผู้มีพระภาตรัสปาสิีิแล้วท่านปราบู้มิชะมีใจชื่นชมยินดีปาสิตของปราบผู้มีพระภาเจ้าดันางนี้แหละูมิชะสูตร และที่ท่านได้รับฟังจนเป็นนั้นคือท่านตักภูมิสูตรและภูมิชชาสูตรเป็นเรื่องของเจยาเสนาราชกุมารจะได้ไปสอบตามปาัญหากับสามเณรชื่ออาจิรวาตะและพระภิกษุชื่อภูมิชะาเป็นเรื่องของการฝึกฝนให้มีพลังจิต จ, จนถึงขั้นหลุดพ้นในตรรมวในนี้นำเสนอโดยมูลนิธิ ปัญญาภาวนาในรายการธรรมารับรุนช่วงกลังประสูุดํำเนินรายการโดยพระมหาภัยบู์อาพิปุณนโญน่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลังประูตรได้ในทุกวันเบืหัด ต, ตั้งแต่เวลาตีห้ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ ตาช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org p a n y a .org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จดดอน